พระบัญญัติ120ก็ภิกษุใดรู้อยู่เข้าไปนอนแทรกแซงภิกษุผู้เข้าไปอยู่ในวิหารของสง์ก่อนด้วยประสงค์ว่าท่านมีความคับใจก็จะจากไปเองประสงค์เพียงเท่านี้ไม่มีอะไรอื่นต้องอบัตปาจิตตีเรื่องพระชัพะคีจบ